วันนี้ก็เป็นวันแหลมเก้าค่ำเดือนเดือน <c oughs> อะไรเดื <c oughs> อนแปดสองวันคินก็ล่วงไปล่วงไปแบบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเราเป็นของพัฒนาเก้าหน้าได้ในคุณธรทม ให้คุณงามความดีให้มันอยู่ในโลกชีวิตของเราก็มีโอกาสเสื่อมได้เหมือนกันเหมือนกันเราทำอาชีพทำไร่ทำนาทำห่วงทองสวนเราปลูกต้นไม้บ้างต้นไม้ก็จเจริญเติบโตไปตามฤดูกาล ให้รูฝนเทียงลากลงดินลึกสร้างกิ่งก้านสาขาเพื่อจะเกิดดตกออกผลหัวเปือกของมันก็ใหญ่โตกว่าเก่าอ้อยก็สูงขึ้นได้คุณภาพได้ เงินได้ทองแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองไปการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ก็เหมือนกับหัวเผือกของมันนั่นแหละเราปลูกลงไปสร้างสติลงไปเดีย๋ยวถ้าอะไรที่มันไม่ใช่สติแล้วก็รู้จักเลือก จัดให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นหมู่เป็นกองไว้เหมือนชาวไร่ชาวสวนเขาปลูกเปือกปลูกมันเขาได้ยา้าเอาที่มันใช่ต้นมันต้นข้าวของเขาออกไปให้เหลือแต่ต้นมันต้นข้ า, ขาวเขาได้ประโยชน์ได้มากได้ผลการปฏิบัติธรรมของเรานี้ก็เช่นกัน บางทีอะไรที่มันไม่ใช่สติมันก็ออกขึ้นมาเองเหมือนกับยอดไม่ได้ปลูกมันองอกขึ้นมาแล้วก็ดายออกเอาออกไปเปลี่ยนมันซะก็ต้องรู้จักเราสร้างสติก็ ร, รู้จักสติไม่มีใครไม่รู้สตินีรู้สึกระลึกได้นะว่าสติ ภาษาบาลีเรียกว่าสติสัมปชัญญะภาษาไทายไทยบ้านแล่เรียกว่าความรู้สึกความเลึกได้ภาษาอีสานว่าน่ากว่าหงเมียบอสแม่เมื่อแม่เพียนหเ ม, มียบอเดินนี่อ่าเปนพอแม่ปลุกลูกมันหลับอยู่ ม, มื่อหงเมียไปหงเมีแล้วหงเมีแล้วเออไปไปไหนนะ่ ไม่สวยอ่า ด, ดูทำนาเนี่ยก็ลุกถ้าเขาตื่นแลว้วโมเมียแ ล, ล้วก็ไปทํางานทำการแล้วก็รักษาตัวเองได้ถ้าเขาจำโมเมียเนี่ยเฟายแม่บ้านก็รับถึกตายจ่อยเ่ายแม่บ้านก็โ่งเมียชีวิตของเราก็เช่นกัน อันตัวรู้สึกตัวเลือกได้มันตื่นอะไรตื่นจากความผิดตื่นจากความทุกข์ความหลงอะไรทุกอย่างมันตื่นออกมามันตื่นแล้วเมื่อกี้มันหลับอยู่มันหลับอะไรมันหลงไปมันคิดไปมันทุกข์ไปมันสุขไปอะไรที่มันเกิดมีเหมือนกันในคิดของเราบางทีมันก็กดสุขเกิดทุกข์เกิดหลงเกิด ยากเกิดง่ายเกิดลาบากเกิดเครียดเกิดอนอนไม่หลับยินไม่ได้อะไรสารพัดยากเราทำอะไรมันไม่มีแต่งานที่เราทำเกิดขึ้นมาอย่างเรากางหลวงพ่อไปปลูกต้นไม้ตอนเช้าอ้าวแทนที่เรา ป, ปลูกต้นไม้มันก็ออกแรงก็เหนื่อยเอาไปมาหมดก็กิดยุงก็กิด ดินก็ติดจอบติดเสียมเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างนี้มันต้องมีแต่ว่าการเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเพราะการทางานอาบน้ำพักผ่อนก็หายกินข้าวก็หายถ้าเหนื่อยเพราะความทุกข์ความจนเนี่ยเป็นทุกข์จนได้ปล่อยมันทุกข์มันจนอยู่เลยมันก็มนทุกข์เรื่อยไปเราต้องพัฒนาชีวิตเรา รุดูเข้าพรรษาเนี่ยหมู่สงฆ์วาศกบาจิกาที่ออกจากบ้านจากเดือนมาอยู่ร่วมกันเพื่อมาทำคุณภาพคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่เราแก่ชีวิตของเราถ้ามันอกบัานนมขึ้นมามีสติมีศีลมีธรรมมีเมตตากาุณามีความรู้จักความรู้ได้ จนบริสุทธิ์ผลพองความรู้สึกตัวเหมือนล้างบาปอยู่เรื่อยเหมือนเราอาบน้ําทุกวันน้ํากับล้างสกรปรกซักผ้าสักผ่อ น, น, นความรู้สึกตัวล้างความสกรปรกที่มันเกิดกับปายกับใจกับวาจาของเราไม่เหลือแต่คุณภาพปั้นที่มันใช้ได้อันนั้นมันใช้ไม่ได้เอาออกไป ความหลงออกไปพ้นจากความหลงพ่นแล้วมันมีให้เราพ้นความหลงเนี่ยเป็นประโยชน์ทําให้เรามีความรู้สึกตัวหาได้จากความหลงอะไรความรู้สึกตัวปัญญาหาได้จากความโง่มร์ผลในพานหาได้จากสังขารมันปรุงมันแตง่ง มันปงมันแต่งมันท่องเที่ยวเวียนวนเหมือนมัดแดงตกระดงหลมก็เทียนสอนพวกเราเอาขอบกระด้งเอาวางไปมันก็ิ้งไปแล้วขอบกระดงแบมเาซะให้มันแบนเราทิ้งแบมก็อยู่ตรงนั้นไม่ทิ้งไบ หมายถึงผมรู้สึกตัวเช่นเราคิดสิ่งใดถ้าไม่แบนมันมันก็กี่ยงไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นรักเป็นชังเป็นความชอบเป็นความไม่ชอบอะไรเป็นเกิ้งไปไกลเหลือเกินจนในเป็นพบเป็นชาติชิลามระโสกไปเทวทุกข์ไปจนสุดเหว่งของความแรงของสังขารการปรุงการแต่งแหวง มีแต่สังขารที่มันเป็นนายของเราเราก็เป็นคียขาของเขารับใช้เขาถ้าเขาให้โศกก็โุกเขาให้ทุกข์ก็ทุกข์เขาให้โกดก็โกดเขาให้หลงก็หลงเขาให้โลภก็โลภให้อะไรก็ตามไปนั้นไปตามเขาเราจึงมาเปลี่ยนมาศึกษาชีวิตของเราเนี่ยให้มันเกิดคุณธรรม ้ภาภาพคุณธรรมขึ้นมาต่อชีวิตเรานับหนึ่งนับสองจากเราไปก่อนแล้วก็ไปบอกกันไปทำให้กันดูไปพูดนกันฟังไปอยู่ให้กันเห็นเช่นประเทศชาติบ้านเมืองของเราคนที่ทำชั่วมีมากหนังกันดัวยอย่างภาคใต้เห็นข่ากันมีอาชีพในกันล่างฐานกันทำลายกันฆ่ากัน รับจ้างไปทิ้งระเบิดได้ข่าวละห้าพันสามพันและจับได้สารภาพคนไปรับจ้างวางระเบิดถ้าสาเร็จได้มากก็ได้เงินมาก ถ, าถ้าคนตายมากได้เงินมากถ้าคนตายน้อยวางแผนไม่ถูกก็ได้เงินน้อยเขามีอาชีพท่า น, นเหมือนกันนักคนมีอาชีพขโมยก็มีอาชีพ คนที่มีอชีพคนขี้ก็มีอาชีพคนมีอาชีพหลอกหลวงก็มีอาชีพในโลกนี้เราจะไปปราบเขามันก็ไม่ได้หรอกเรามาปราบเราเอาชนะตัวเราก่อนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อตหาเวชตังเฉยโยชนะตนนั่นแหละก่อนอย่าไปเอาชนะคนอื่นเอาชนะคนอื่นลอยคลั่งฟันหนไม่เท่าแชนตนข้างเดียวอย่างเนี้ย มันทำได้มันทำได้โยนผู้ไร้มันมีเราไม่ใช่จะไปหาปราบโยนคนนั่นคนนี้เราก็ต้องรักษาของเราดีๆสมบัตินี้ของมีค่าอย่าทิ้งกระจุยกระจียเก็บไว้เป็นที่เป็นทางอย่าประมาทคนชั่วมมนมีก็อย่าประมาทให้เขาได้โอกาส ก็รักษาตัวเองปฏิบัติธรรมก็มันอย่าให้มารได้โอกาสมารมันมีนะมันมีเหมือนกันในเวลานอนก็มีมารในเวลาตื่นก็มีมารมันมีมารเหมือนกันขวงกันเอาไว้แล้วก็เห็นเห็นความชั่วเห็นความทุกข์เห็นความผิดความพลาดของเรามันชื่นใจ คนอื่นมาสอนเราเห็นว่าโอ้ยเกิดแนวร่วมกันมากเกิดตื้อลือล้นแต่ก่อนไม่เคยเห็นความคิดของตอนเองหลวงพ่อเทียนมาสอนเราให้เห็นมันคิดนะอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดบางทีความคิดมันซ่อนความคิดมันซ้อนกันขึ้นมาเอาความคิดซ่อนอยู่ความคิด หาคำตอบจากความคิดหาความสุขความทุกข์จากความคิดคิดสุขก็สุขคิดทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างนั้นไม่มีสติเลยหลว่อเทียนมาสอนพวกเราทำให้เราเรยรู้จึกตัวมองตนมองตนบางอย่างแล้วก็ง่ายๆแกง่ายงาย่โดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดจากความคิดน่ถ้าเราไม่รู้จักตรงนี้ก็แจ้ยาก เปนเนตสายเป็นปัจจัยไปเลยดื้อด้านไปเลยด้านในความคิดชั่วในความคิดก่อนไม้ใช่วชั่วภายนอกกายก็ชั่วไปเลยว่าจาร์กชั่วไปเลยไปหมดเลยกระทบกระเทือนไปหมดเลยเราจึงมาดูความคิด เ, าเ่าไหนมาเห็น ด, ดูดูสนุกสนานการสอนตัวเองมั้ยนั่นสนุกสนานจริงๆโอกาสอย่างเนี้ย ก็ตื่นอนกันสักหน่อยเถอะพวกเราอย่าประมาทแม้เรามีงานมีการทำก็เพิ่มสติเข้าไปประยุกเข้าไปช่วยโอกาสเข้าไปกับการกัเนานประจำวันของเรานอกจากนั้นอธิเล ก, กลาบปริวิเวกส่วนตัวอยู่กติรูปเดียวนะอย่าไปนะทำอะไรที่มันหลงหลงอยู่รูปเดียว ก็อยู่กับโม่ก็อาใช้โมู่เกินบ้างถ้าอยู่คนเดียวก็ยิ่งดีใหญ่นะยิ่งดีใหญ่บางทีเราอยู่ป่ามันก็ผิดเหมือนกันพระพุทธเจ้ายังด่าพระสงฆ์ล่ะพวกเธออยู่ป่าพวกกังโมนะไม่กล้าที่จะไปอแสดงให้ความดีให้คนเห็นแอบ อยู่ในป่าไม่อยากไปพูดไปจากรใครไม่อยากบอกอยากสอนไม่อยากทำความดีให้ใครเห็นนอนอยู่คนเดียวปิดประตูเลยไม่มีใครไปเห็นาบางทีขึ้นป้ายเวลานี่จังวัดจังวัดคืออะไรนอจังวัดจริงๆมันคือปฏิบัติธรมรมทำสมาธิจังวัดนนะ่ะสมาธิอย่ามารบกวนเวลานี่ อย่างวัดบางวัดเนี่ยเวลาฉันเพนเสร็จก็ถึงเวลาไวายสี่โมงจึงออกจากกิให้โอกาสพระได้จังหวัดเวลานั้นญาติโยมก็จะมาติดต่อไม่พบญาติโยมไม่พบอะไรไม่มีจิตอะไรมาถ้าจะมาติดต่อเรื่องสงเรื่องพระให้มา บ่ายสี่โมงสามโมงสี่โมงคอนเพลงถ้านอกจากนั้นให้โอกาสพักบ้างบางทีก็เราเพืโอกาสนั้นไปรับไปนอนมันก็ไม่ดีให้นอนแต่หลวงพ่อก็เพอขี้น้อยเนา ะ, ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วยช่วยตัวเองไปก่อนเนี่ยเราก็ให้ลู้จักเคล็ดลับเทคนิคสอนตัวเองให้แม่นยำดีด การสอนเองไม่เหมือนกันบางทีก็ได้โอกาสคนละคนละแบบคนละมุมมุมที่มันงู้เกิดฉลาดการสอนเลยบางทีมุมที่มันงู้เกิดงู้ไปก็มีบางคนไม่ได้สอนตรงนั้นสอนตรงที่มันทุกไม่ต้องทุกสอนเทีหลงไม่ต้องหลงมีเยอ ะ, ะเลยการสอนตัวเองไม่ไปห้องสี่เหลี่ยมไปไป ใ, ใครสอนก็มาฐานเนยะ อมามามาปฏิบัติธรรมมาทำความเปลี่ยนให้อิสระให้อยู่ไม่เบียดเบียนกันอย่ า, ารีดแรงงานกันแล้วกันมันจะเป็นบ้าทำงานเหมือนกันนะบ้างานก็งี้นะมันเคยมันเคยเป็นบ้างานอนทะํางานคิดจะทำมันนี่ชิดทำมันนี่บางทีก็ถ้าทํางานไปผ่านปฏิบัติทําไปผ่านก็ดี นัดเดียวโดนลกสองตัวเหมือนนายยานคุณธทรมพูดเหมือนคนยิงนกนัดเดียวถูกโูกสองตัวถูกได้สองตัวหนึ่งได้งานสองได้คุณธรรมได้คุณธรรมขณะที่ทางานได้อดทนได้เสียสละได้ทำประโยชน์เห็นอย่างว่าเราเนี่ย มันก็มีหลายหลายหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลจะลานหน้าวันนั่นผมรดรถไใบฝนตกมากที่สุดน้ำรางน้าไม่ไหลไม่ได้ไหลไม่ได้มันมีใบไม้ร้ลนลงไม่ไหลเขาท่อเลยร้ลนลงใบ ไ, ไ, ไม้มันเยอะ ก, ก็ต้องเอาใบไม้ออกปีหนึ่งสักสองครั้ง ฤดูเดือนสิงหากันยาเนี่เป็นฤดูเก็บน้ำผลฤดูนี้เก็บบ้างไม่เก็บบ้างถ้าจะล่างแท่งน้ำอะไรที่มันหมักผมไปด้วยตะกอนก็ล่างออกได้ฤดูเนี้ยอ่นแล้วก็เอาใบไม้ออกจากน้าล่างน้ำสารานาะเลาไก่อาจารย์รอเทพก็ทำแล้ว สาราหอวใจ ย, ยันตุ้มก็ทําแล้วสาราลงทําโน่นก็มีทางน้ําเหมือนกันสาลาหัวใจเก่าเบอร์แปดก็มีทางน้ํามีรางน้ําก็ออกออกคนผู้ใดที่พอมีกําลังถ้าไม่มีกําลังก็ดูหาคนมาช่วยทําขึ้นต่างต้องระวัะงระวังการทําอะไรมันก็ดีแ่ะมันก็ได้งานบ้างได้เสียสาระได้ อะไรจะมีเยอะแ ย, แ ย, แ ย, เยะเลยมีที่เป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์ในวัดเรานะมีศาลาพะไตรักสำนักงานก็เดี๋ยวนี้คนวันีคนอะไรก็ดูแลโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะเหมาะที่สุดคอยดูแลจัดสิงจัดของคนไปคนมาให้ความสะดวกหลวงพว่อก็โูดจัางนั้นเวลาใครมา ไปสำนักงานเลยจะมาปฏิบัติก็บอกคนที่นั่นจะมีคนอยู่อย่างน้อยก็มีอุบาสิกาสภาพจิตีตี่ก็มีหมอสุนทรีมีพระว่างอยู่เลยแล้วจะมาปฏิบัติแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นเขาก็ไม่ต้องไปถามใครเขาจะให้คนแจให้ ที่นอนให้ผ้าห่มให้มุ้งบางทีมีไปฉายให้ไปฉายด้วยเวละกลับไปก็มาคืนถ้าเราอยู่นานๆ น, น, น้อยถ้ามีโอกาสซักผ้าหม่มซักที่นอนปอกหมอนแล้วก็เจ็บส่งคืนก็ดีบางทีก็มาเป็นคณะใหญ่ๆก็ไม่มีเวลาเจ็บพักคืนสองคืนสามคืนที่ก็ต้อง ก็ต้องซักก็ต้องจ้างคนพวกเราก็จะมารับแขกเหมือนโรงแรมเ้าก็ไม่ทำแต่มาใช่ไม่ชี้อะไรก็หนักแล้วแมนโบอ า, าหารนี่ก็หนักอยู่แล้วมาใช่ดูแลเหมือนกับคันลงเหมือนกับอะไรโรงแรมบ่อยหรืไม่ใช่ <c oughs> ก็ไปได้น้งแม น, น่บพอจะยกะต้องอต้องมีปัจจุบัจัย เพื่ออะไรเพื่อทมความสะอาดถ้ามาสะดวกแก่คนมาใชา่โดยเฉพาะโต๊ะเก้าอี้เตียงตัง้งห้ามเอาไปตากผนภิกษุเอาเตียงตัางที่นอนของสงไปใช้แล้วเวลาหลีกไปไม่เจ็บเองก็ดีแม่หม้อผาให้ผู้อื่นก็ดีต้องอาบัตรปาจิตติมันเสียหายาบางทีเสียไปพูดฝนตกของพ่อเคยสอนพระสมัยก่อน เราเสือไปปลูกฝนไม่เจ็บบูดินด้วยไม่เจ็บฝนตกลงมาเสือก็ลอยน้ําแไปหลวงพ่อไปบอกโอ้ยอย่าทํานี่นะมันเสียเสือไม่ผมซื้อมาเองผมซื้อมาเองอู้ซื้อมาก็เสียหายไม่ใช่ไม่เสียหายใครซื้อก็เสียคนนั้นเสียเงินเสียทองเสียของด้วยไม่ใช่ว่าตัวเอยในซื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ใช่นะ ร่างรักษาอันเมื่อเนี่ยเป็นการทำงานยิงนัดเดียวเดวนกสองตัวได้เสียสละได้ปฏิบัติธรรมได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยหมูช่วยมิดหลายหลายอย่างที่เราต้องทำเวลานี้คนไทยเราเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยสงบเราจะไปเจนอะไรก็ไม่ได้เราต้องมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นช่องทางแห่งสันติภาพช่องทางแห่งความสงบให้มันเกิดขึ้นใน ในน้ำมือของเรานะในน้ำใจของเราช่วยกันสร้างน้ำมือของเราเออไม่ทำเดะสร้างโลกด้วยมือห้านิ้วสร้างสันติสุขด้วยมือห้านิ้ว10บนิ้วด้วยน้ำใจที่มีเมตตากรุณาันี่ะให้มากๆเถอะมันขาดแทนเหลือเกินถ้าขาดความเมตตากรุณาการช่วเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันมันจะเป็นไฟอะไรกันไม่โลกไปเลยนะ แต่เนี่ก็แตกกันเป็นกลุ่มนนกลุ่มนี้ในประเทศไทยของเราภาคใต้ก็โอ้ยาพาะบียนตะบาดก็ใส่โครงเหล็กใส่รถสามล้อตำรวจขี่ไปไปจําบาทอยู่นี่ตหรวจก็เล็งปืนคุ้มคลองไปคนใส่บาทก็นั่งลงตหรวจก็ยืนจับไปโอ้ยนะมันจะเกิดยังไงอ่างะ พอไปถ้าบาดบางไม่ตำบวจมากค้มกันตายแบบ น, นั้นใช่ไอ้าไมนเป็นไ้ทำไปจังนั้ไมมนุษย์เนี่ยคนเรานี่มันทำดีได้ทำไมจึงไปทำนั้นไม่ช่วยกันเลยอย่าไปเบียดเบียนกันติจฉากันไม่มีประโยชน์หรอกนะล้วก็คนมีปัญญาก็ไปอีกแบบหนึ่งอา้าวมีปัญญาไปขัดแจ้งสร้างนั้นูดนจ้างนี้ เดี๋ยวนี้ระวังให้ดีนะระวังให้ดีการวางแผนในการทำลายประเทศชาติบ้านเมืองมีเยอะแยะการวางแผนทำลายพระสงฆ์ก็มีเยอะแยะพระสงฆ์องค์ใดที่มีค อ, อคนรู้จักมากเขาจะทำลายได้อาจารย์รลกใดที่มีคุอัทธามีคุณทำโยมคนไหนอะไรต่างๆเขาจะ เขาจะเขาจะวางแผนทาลายได้เราคนชั่วก็คือทำลายเราคนดีเขาทำลายคนชั่วก็ถูกทำลายคนดีก็ถูกทำลายเพราะอะไรเพราะคนมันไม่ดีแล้วเรามาเอา้ามาทำพุนามความดีเลยไปฟังหูหูอย่าเห็นแต่อมิตรสินช้างอย่าเห็นแต่ราบจักระเสีิงเสริญโ ย, ยให้เรามุ่งถึงความเป็นธรรมให้มากๆนะ เนี่ยในภรษานี้ปฏิบัติธรรมด้วยความสนุกสนานอย่าลีดตัวเองจนไม่หลับไม่นอนนะต้องนอนให้อิม่มต้องกินให้อิม่มอยู่สะดวกสะดวกอย่าเบียดเบีนกันอย่าดุอย่าด่าอย่าโกรธเคืองอย่าโกรธอย่าเคืองกันไม่ประทุษร้ายกัน เหมือนเราเป็นอันเดียวกันครอบครัวเดียวกันแผ่นฝ้าแผ่นดินเป็นบ้านของเราของฝ้าอ า, ากาศเป็นสิ่งที่เราอาศัยให้ช่วยกันให้อยู่มีความสุขมีความสงบร่มเย็นเราทำกุ น, นามความดีนะบางทีมันคิดมันทุกข์มันไลยนอนแลดีใจใดรู้มันเปลี่ยนมันบางทีมันตื่นขึ้นไปนอนมันหลับก็มีนะ สิงเหล่านี้เกิดขึ้นเจเราเหมือนกันนอนไม่หลับเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อะไรนอนไม่หลับก็มันจ้องหลับอย่าไปอยากหลับบีบตาจนเองจะนอนไม่หลับไม่ใช่แบบนั้นมันไม่หลับก็ดีสบายเออมันดีแล้วนอนไม่หลับจะได้หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกสนุกกับการดูลมหายใจถ้ามันไม่หลับจริงจริงโอ้ยไปเดี๋ยวเดียมก็หลับถ้าไม่หลับ ไปคิดซ่อนคิดไปคิดว่าเา น, อนอนไม่หลับตั้งหลายตัวลายกาดถ้านอนไม่หลับไม่เป็นไรมันเป็นอะไรเพราะความคิดเพราะคิดว่าตัวเองนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปคิดว่าตนเองกินไม่ได้ตัวนั่นอันตรา ย, ยกินไมไดก็ไม่เปไรนะมันต้องมันก็ดีมันกินไม่ได้ก็ดีแ่ะ ต่อไปมากก็หิวขึ้นมาตาใสขึ้นมาถ้าพี่คิดว่าจะยังกินไม่ได้พี่โรคหงีไฟก็มันก็กินไม่ได้ตลอดไปตายอยู่เลยเพื่อเดียวนอนมันหลับก็เป็นโรคประสาทไปเลยถ้าคิดว่านอนไม่หลับเนี่ยตัวคิดเนี่ยมันเข้าแทรกแซงทุกกรณีในชีวิตเรามีสติเท่านั้นที่จะเห็นความคิดได้ไปพึ่งวาใสคูบายานเพื่อนมิตรก็ไม่ได้ดอกต้องรู้จักตัวนะงานบอกพระทยก เอาดีแล้วเอาถึงน้เอาไปในก็สมควร้จวลาแล้ว